ศีล ส, สำหรับประชาชนข้อขอศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหลกักคำสอนในสิงคาลักะสูตรทั้งหมดพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เป็นขีหิวินัยคือวินัยของคฤรืหัดหรือศีลสาหรับชาวบ้านหรือศีลสาหรับประชาชน ดังสาระที่สรุปได้ดังนี้หมวดหนึ่งปลอดความชั่วส4ประการคือละกรรมกิเลสสีไม่กระทำบาปกรรมโดยสีสถานและไม่เสพอบายามุกหประการข้อกอละก ร, รมกิเลสหรือข้อเสื่อมเสียของความประพฤติสี่อย่างได้แก่ 1. ปานาติบาท 2. อ, อธินนาทาน 3. ามกาเมซุมิชชาจาย์ 4. มุสาวาตข้อข อ, ขอไม่กระทำบาปกรรมโดยสีสถานคือไม่ทำกรรมชั่วด้วยลุกแก่ 1. ฉันทากติลำเอียงพระชอบ 2. โทสากติลำเอียงพระชัง 3. โมหากติลำเอียงพระเขา่า 4. พยากติลำเอียงพระกลัว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 ที่วินัยหมวดสองเตรียมทุนชีวิตสองด้านคือทุนชีวิตด้านที่หนึ่งรู้จักมิตรแท้มิตรเทียมซึ่งควรครบและไม่ควรครบได้แก่ข้อกอมิตรเทียมสี่จำพวกคือหนึ่งคนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบ 4. คนชวนฉิบหายข้อขอ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 แล้วพึงจัดสรรทรัพย์ใช้สอยและผูกมิตรโดยแบ่งเป็น4ส่วนคือขอ้ขอกอกินใช้เลี้ยงดูคนไม่ทำประโยชน์หนึ่งส่วนข้อข อ, ขอทำทุนประกอบการงานสองส่วนขอ้ขอคอเก็บไว้ใช้คราวจำเป็น1ส่วนขิหิวินหมวด3ปกแผ่ทิศทั้ง6ทิศ6 หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้งหกคือทิศที่หนึ่งกกบุตริดาบํารุงมารดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดยหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยทำกิจตัวราการงานของท่านสามดำรงวงสกุลสี่ประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 5. เมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านข้อขอมารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ 1. ห้ามการจากความชั่ว 2. ฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. เป็นธุระในการมีคู่ครองที่สมควรห มอบทรัพสมบัติให้เมื่อถึงโอกาสทิศที่สองก็กอสิ์บำรุงครูอาจารย์ผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องขวาโดยหนึ่งลุกรับแสดงความเคารพสองเข้าไปหาเช่นช่วยรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำสามตั้งใจฟังและรู้จักฟังสี่ พรนิบัติช่วยบริการ 5. เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญข้อขอครูอาจารย์อนุเคราะห์สิทธิ์ดังนี้ 1. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. สอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่พวก 5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศหมายถึงสอนให้เอาไปใช้งานเลี้ยงชีพได้จริงทิศที่สก็ก่อสามีบำรุงภรรยาผู้เป็นเหมือนทิตเบื้องหลังโดยหนึ่งยกย่องให้เกียรติสมฐานะพันรยา 2. ไม่ดูหมิน่น 3. ไม่นอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 5. ห, หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสข้อขอพันรยาอนุเคราะห์สามีดังนี้ 1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย ส, องสงสงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 3. ไม่นอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 5. ขยันช่างจัดช่างทำเอางานทุกอย่างทิศที่4ก็กอบำรุงมิตรสหายผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องซ้ายโดยหนึ่งเพื่อแผ่แบ่งปัน 2. พูดอย่างรักกัน 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 5. ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันข้อขอมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบดังนี้ 1. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน 2. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน 3. ในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก หนับถือตลอดบวงญาติของมิตรทิศที่ 5. ก็ก่อนายบำรุงคนรับใช้และคนงานผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องล่างโดยหนึ่งจัดงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังเพศวัยและความสามารถ 2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่สาม จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้น 4. มีอะไรได้พิเศษมาก็แบ่งปันให้ 5. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสก็ขอคนรับใช้และคนงานอนุเคราะห์นายดังนี้ 1. เริ่มทำงานก่อน 2. เลิกงานทีหลัง 3. เอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น 5. นำความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพ ร, แรท่ทิศที่หกก็กรข้อเรื่อหัดบำรุงพระสงฆ์ผู้เป็นเหมือนทิตเบื้องบนโดย 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 5. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่ข้อขอพระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์ครือหัดดังนี้ 1. ห, ห้ามพราหมณ์สอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีสาม อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงาม 4. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 5. ชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจม่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้หมายถึงสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและินันของคฤหัสชุดสุดท้ายในสิงคารกาสูรคือสังฆะวัตถุสี่ หมายถึงบำเพ็ญหลักการสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวใจคนและประสานสังคมสี่ประการคือ 1. ทานเพื่อแผ่แบ่งปัน 2. ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน 3. อัตจริยาทำประโยชน์แก่เขา 4. ส, สมานัตตาเอาตัวเข้าสมาน